นอมนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระผู้ไกลจากกิเลสตัสรุได้โดยพระองค์เองขอกลับกระวะลมพ่อเขียนที่เคารพยันสืนแล้วก็รมพุกลมที่เคารพแล้วก็กูบาอาจารย์ทุกท่านครับก็จะรับรองยโยมทุกทุกคนก็ตามสบายนะครับก็ ฟังจังวะฟังด้วยก็ได้หรือว่าก็ดูลมหายใจหรือว่าทั้นใจฟันก็พวกเราก็ปฏิบัติทมก็ทุกวันทุกวันรู้สึกตัวเป็นสำคัญ ก็รู้ถ้ารู้ก็ความถือก็หายไปถ้าเข้าใจความหลมก็หายไปก็รู้ไปเรื่อยเรื่อยรู้ไปเรื่อยเรืปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ อยู่กับกายอยู่กับใจใจก็อยู่กับกายจิตก็อยู่กับเลื่อนนี่ก็สติความรู้สึกตัวดูกายเครื่องไหวเวทนาทุกเวทนาสุขสุขเวทนาไม่ถูก ให้ทุกข์ไม่สุขก็รู้ไปเรื่อยๆความคิดฟุ้งซ่านความคิดไปอดีตอนาคตไปนุ่มไปนั่นให้รู้รู้แล้วกลับมารู้แล้วกลับมารู้สึกตัวกายกับใจ พอสมาธิก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติสมาธิก็เป็นจิตมังกระเสรมสุขดีจิตไม่ว่องไวจิตเป็นมั่งกลมจิตไม่หุ่งซ่านจิตอยู่กับอ่ อยู่กับกา ย, ยกับใจสิ่งอะไรเกิดขึ้นขโโั้นนอกหรือว่าที่เราที่กายที่ใจเป็นทุกขกเวทน า, านทนางกายทุกขกเวทนาทางกายทุกขกเวทนาทางใจสุกขกเวทนาทางใจ ให้รู้สึกยอมรับว่าเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ถูกดินไปนี่ไปโ น, น่นแต่ไปแล้วก็ให้รีบกลับมากลับมาอยู่กลับกายเครื่องไหวให้สบายสบาย ไม่ต้องแพ้ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเกรียดไม่ต้องว่าจะคิดได้ผลเมื่อไรได้ผลอะไรเกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่ต้อง ไปนี่ไปโน่นให้อยู่ก็พอแล้วสามปัดกายสามปัดใจก็พอแล้วดูสึกตัวแล้วก็พอแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็พอแล้วให้กับปัจจุบันนี้ อยู่ที่นี่้าจิตไปเที่ยวอดีตก็ไม่เป็นไรหน้าที่องเราก็ให้กลับมาอยู่กับกายอยู่กับใจไม่ต้องว่าด่าตัวเองไม่ต้องว่าด่าความคิด ไม่ต้องว่าดาเวทนาเป็นไงเป็นยังไงก็แค่กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวตอนที่การเดินก็รู้สึดดนนกตัวนั่งก็รู้สึกตัวยืนก็รู้สึก ตัวน้องก็รู้สึกตัวทุกอิเดียบทิกตาติฏตาอ้าปากกลุ่มน้ำลายให้รู้ไปรู้ไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับ ธรรมะอร ม, มะไม่เป็นไม่มีตัวมีไม่มีต้น ม, มีแต่รูปเป็นนามเป็นรกอขึ้นเป็นปัจจุบันดับไปในปัจจุบันก็เป็นอนิจจาเป็นตรรมชาติ ไม่ต้องยุดมั่นถือมั่นให้ธรรมชาติไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราเป็นผู้เห็นไม่ได้เป็นผู้เป็นไม่ได้เป็นผู้โกรธไม่ได้เป็นผู้อยากเป็นแก่ผู้เห็นผู้ได้ยิน ได้ฟานได้รู้สึกก็ให้แหมไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อยได้รู้กับธรรมชาติแห่งอนานิจจานะตาไม่ใจมตมไม่ใจตัวไม่ใจเป็นสัตว์บุคคล ก็มีแต่สินตั้นร้ายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบานทีก็ทุกใจทุกกายทุกใจไปอดีตก็กถึงคิดไปนี่ไปโน้น อนาคตก็คิดไปเรื่อยเรื่อยสร้างเรื่องเป็นใหญ่โตขึ้นให้รีบกลับมาเป็นแก้ฝันนอนก็ฝันเดินตัวงามวังก็ฝัน ก็ให้กลับมาตื่นตัวตื่นใจก็ไม่มีหายไปก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดิเมมักเดิมมักอมเปดเป็นทานที่จะไปซูมัพปนนิพพาน ก็พระพุทธเจ้าก็ให้คำตอบไปแล้วให้แกเราว่าเป็นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นจะได้สมัครปนญญพันสัมมาทิฏฐิก็ดีสัมมาวจาก็ดีความคิดความพึงซ้ำไปก็ให้กับ มาเป็นสัมมาสติสัมมาสามาธิทำดีทางกายทางวาจาทางใจทำดีไปเรื่อยเรื่อยทำกุศลไปเรื่อยเรื่อยถ้าแผงกุศลที่เกิดขึ้นเราทิ้มไปซะทิ้มไปทิ้มไป ที่อักขรศยังไม่ได้เกิดก็ไม่ให้เกิดไปต่อไปคือศนที่ยังไม่ได้เกิดก็ให้เกิดขึ้นทำดีดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอากขรศมีแล้วทั้งกายวาจาต่างใจ ก็ให้เจริญพัฒนาให้สมบูรณ์จนเต็มบริบูรณ์ก็ทำไปเรื่อยๆหน้าที่เราก็แก่ทำวิยะความเพียรอันติอดทน เป็นเผาขีเร่ขเร่ตางความอยากความหลมความโกรธก็ให้ดับไปให้ดับไปถ้าสร้างขึ้นมาปูกุ้มมาก็ให้ดับไปตามที่ด้วยสติก็ยินดียินดี ถ้าไม่ทำไม่เ่าไม่ตันก็จะใหญ่โตขึ้นจะได้เป็นสังการจิบปุเแ็งเป็นตัวเป็นตนทางพันนี้ก็ใหญ่โตสติเราซื้อไม่ได้ก็ให้รีบกลับมา จะรีบก็มันเบาไม่นักก็ไม่เป็นเท่าไรให้อยู่กับกายอยู่กับใจเรื่อยๆก็จิตก็เป็นธรรมชาติเราเห็นปัจจุบันนี้ธรรมไร ทางกายก็เคลื่อนไว้ทานใจคิดอะไรเหิสนสร้างเรื่องอะไรก็รู้เราจะทำอะไรต่อไปทำยังไงต่อไปให้ถูกต้มเป็นสัมปชัญญะเราเข้าใจอยู่ตามปัญญา รู้อยู่ว่าจะทำหน้าที่ของเราทำยังไงก็สั่งสติสั่งสมาธิสั่งปัญญาสติก็ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสมาธิเราติดแล้วก็เป็นมิจาสมาธิเผลอตัว ได้เป็นติดกับความสงบให้ตื่นตัวสติก็ช่วยเอาสมาธิไปใช้เพื่อสร้างปัญญาได้เพราะว่าตรงที่สมาธิก็จิตใจเบิกบานจิตใจสบายจิตใจเห็นชัดก็ <c oughs> ก็เข้าใจได้ถ้าสราแต่ถ้าเราก็มั่นติดสมาธินี่ก็มันก็แค่นี้จากธรรมชาตินี้จากสิ่งเบ็ร้อมคนนี้คนนอยากยู่คนเดียวอยากไม่ได้อ่า มาโตบกับกระไรแต่ ว, ว่าให้ใจเจะเปิดเผยให้เปิดใจแล้วก็เอาสมาธิมาใช้เพื่อประโยชน์ให้สร้างปัญญาเกิดขึ้นว่าเข้าใจอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังเป็นธรรมชาติเป็นทุกข กายใจทุกก็เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งตั้นร้ายก็เป็นทุกเพราะว่าเป็นอนิจจันตนาตาไม่ใจตัวไม่ใจตมเราจะทำอะไรก็ทำยานตามใจไม่ได้มันก็เกิดขึ้นเป็นดับ ไปแล้วก็วก็เราก็แค่รักษาแก้ปังแก้ปัญหารักษาใจรักษากายให้ใจได้ปประโยชน์ต่อชีวิต ถ้าเป็นทุกข์เราไม่ใจเป็นทุกข์แเห็นทุกข์ถ้าเห็นแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แกมันสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติเป็นยางไงมันเป็นประโยชน์นะถูกก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเราก็มีโอกาสที่เราศึกษา ธรรมชาจากความทุกข์ได้ความทุกข์เกิดขึ้นเป็นยังไงทำไมก็เหตุผมก็ชัดแจงขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวปู่พุทธเจ้าสแสดงนองเป็นมรกคเป่นมารี ส, สัสสี ถิดสมตายมีโรดมากก็เป็นธรรมชาติยิ่งมีรถสีดำมีไหม <c oughs> มีรถสีดำ <c oughs> อไม่มีนะผมมีเะออก็ดีธรรมชาติเป็นสีดำสีฟ้าสีขาวเป็นหลายสี ก็เราก็ารูเ้เห็นอ่ก็ถ้าแก้ปัญหาก็อ่อาแก้ปัญหาไปเราก็ช่วยกันช่วยกันทางกายทางวาจาทางใจให้เป็นมีสุขเราไม่ต้องอยากสุข ก, ก็ได้ให้เป็นสุข ก, ก็ได้ถ้า ละทิ้งความทุกข์ก็ความสุขก็มาเป็นธรรมชาติเป็นแทนเรอาอก็ามไปเรื่อยเรื่อยเรือสุดไปเรื่อยเรื่อยเรือสุดไปเรื่อยเรื่รก็พอสมควรแกร่เวลาก <c oughs> <c oughs> ็ปาปูเพียงแก่นี้นะครับอขอจำพรร์ขอให้มีความสุขแก่ทุกทุกคน นะครับเชิญพออ